ตอนสักประมาณสามโมงเช้า เ, เสร็จเสร็จหลวงพรออมเขียนท่านก็มาให้ธรรมะกับคนจีนก็นิมนต์อาตมาด้วยนะกับพระธรรมะเห็นว่าาจจะเกิดประโยชน์ในการแบ่งปันให้คนไทยด้วย ไปยนได้ฟังว่าธรรมะมันเป็นเรื่องของทุกคนที่ประพฤติปฏิบัติในความศรัทธาแล้วก็ยิ่งเคยมีความทุกข์ปฏิบัติจนนั่งเราสามารถเห็นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆในพระศานาที่ชีน้นำเอาไว้วหรือว่าหลวงพ่อครูบาอาจารย์ต่างๆแล้วก็เราก็เห็นอย่างนั้น เป็นความรู้สึกตัวไงนะการเคลื่อนการไหวร่างกายของเราโอ้โหจรวดตารูว่าความคิดเนะี่็มเมียาการอยู่นะแล้วมันก็แสดงออกเป็นทวันของจิตนะความคิดนะมโนทวารนะมันจะคิดนะอาการคิดถ้าเกิดอารมณ์มากมายแล้วกันนะในความคิดเต็มนะจะแสดงออกมานะตามคติตามนิมิตของของความคิดนะ ตรงนี้มาเรามีหลักของกรรมฐานที่เราได้เคยฝึกเคยหัดมาตั้งแต่ต้นเลยได้ยินได้ฟังน้อมเอามากระทำจริงๆเรียกว่ากรรมฐานเคลื่อนไหวรู้สึกตัว14จังหวะหรือว่าเดินจงกรมรู้สึกตัวเนี่ยเราก็จะได้สัมผัสแลรากายวิญญาณนตัวนี้กังกัง เราเห็นปฏิกิยาหรือว่าอาการของจิตเรานะระหว่างที่มันเข้าไปในความรู้สึกเนะคลื่อนไหวแต่ละขณนะหรือว่าสภาวะที่มันเริ่มรับรู้ความรู้สึกตัวนะจนจนดูจนเห็นนะว่าอาการนะที่มันแทรกแสงเกิดขึ้นมาขณนะต่อขณะมันมีอาการอย่างไรแล้วมันก็ไม่สงสัยในการเหล่านั้น พอมีความคิดเกิดขึ้นมาเนี่ยทีไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอย่างี้นะมันก็เป็นความรู้สึกแต่ว่าเราไม่ทันมันจะหลงเผลอแล้วก็ไปจมแช่แล้วเป็นภพชาติอยู่ในนั้นในระบบของความคิดวันนี้ก็เลยอธิบายพอดีมีพริกพริกที่เอามาจากประเทศภูธานวันที่ไปภูธานนกลับมา ก็ได้เมล็ดพันธุ์พริกกลับมาด้วยสองเม็ดทีนี้พอมาปลูกมันก็ขึ้นเป็นต้นขึ้นมาว่าออกดอกออกผล ม, มันอธิบายไม่ได้ทำมามันเป็นยังไงจริงมันแค่พูดสื่อกันเป็นภาษาเราพูดเป็นภาษาไทยเราก็เจตนาดํารลิแล้วก็แลกปลงเสียงออกมา สื่อคนฟังล่ามกับแปลเราก็ไม่แน่ใจว่าแปลตรงกับความรู้สึกที่เราเจตนาแสดงออกหรือเปล่าเขาผู้ฟังจากล่ามก็ไม่แน่ใจว่าฟังแล้วจะได้ประเด็นเอามาปฏิบัติแมันจะตรงก็เลยให้พริกแล้วลองกินดูต่างคนต่างเผ็ดพริกที่เก็บมาจากประเทศภูตานรสชาติเป็นอย่างเนี้ ซึ่งทุกคนริมรสก็รู้เอาเองอะนะมันเผ็ดยังไงมันมากยังไงมันน้อยยังไงมันก็เหมือนกับความรู้สึกตัวมันอธิบายกันไม่ได้ทําเลยสัมผัสกระทบเป็นอันเดียวกันตรงนั้นมันไม่ใช่ภาษาที่จะมาสื่อเคลื่อนไหวลงไปกระทบลงไปอสัมผัสลงไปต่างคนต่างทำต่างคนต่า ง, างรู้ไปมันมันรู้ะ ตรงๆลงไปที่ปัจจุบันขนณะที่กายก็จะเห็นละกระบบความคิดมันก็หยุดในขณะนั้นเหมือนกันมันการพาจิตพาใจของเราออกมีสติระลกรู้ความรู้สึกตัวออกมาจากความคิดสัมผัสตรรกะณ์ตะรกะณลเราล้วก็เอ่อภาคเพียนให้มันต่อนเนื่องนะตรงนั้นนะที่เราต้องมีการปฏิบัติกันจริตๆอย่างจั ง, ง, จงลงไป พอเรามีการปฏิบัติถูกต้องแล้วก็ต่อเนื่องก็เห็นสังเกตได้ถึงอาการต่างๆที่เกิดกับจิตใจของเรากับอาการที่มันเกิดทางร่างกายของเราเราเริ่มเห็นธรรมชาติตางความเป็นจริงว่าจิตของเราจริงๆบันขับมันจามไม่ได้ความคิดห้ามไม่ได้เราเริ่มเห็นเทคนิคปฏิบัติถ้าเราเป็นคนไทยเราก็เห็นล้ในหนังสือหลวงปู่เทียนก็มี อย่างที่ตู้ตรงนี้ก็มีถ้าเป็นคนจีนก็ไม่รู้ภาษาเราก็พอจะรู้ได้เออไม่ห้ามความคิดเงี้ยเรือปรากฏ ก, การณ์ทั้งหลายทั้งปวงเราก็ไม่ห้ามอยู่ได้ปัญญาได้เหตุปัจจัยที่ไม่ใช่เรื่องของจิตใจของเราแต่ว่าจิตใจของเราก็รู้นะ ร, รือรู้เห็นจริงเรานั้นตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องต่อไปเช่นเรานั่งเจ็บปวดเมื่อย่างนะ อันนี้เราก็ห้ามไม่ได้ะมันเป็นธรรมชาติของกายสัญญาณนที่มันเป็นภัยยังไงนั่งนานๆเขาจะมีอาการชาเหน็บชาหรือว่าเจ็บจนกั ง, งมันปวดเข้ากระดูกเนี่ยนะยิ่งนานบางทีมันก็ปวดจนกระทั่งสติมันก็น้อยลงไปน้องอ่อนตัวลงไปตัวกระวนาของกายมันกล้าขวาจะเห็น จิตมันเริ่มที่จะมีปัญหามีความทุกข์แล้วก็บน่นร้องขอเปลี่ยนหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งอันนี้เราก็จะเห็นว่าเออเราก็เกี่ยวข้องได้ย่างถูกต้องใหม่ๆแล้วก็ไม่ไม่ต้องไปสู้กับการเจ็บปวดเมื่อยร่วเหน็บชาต่างๆเราก็ได้อาศัยรยู่ปกมันมีนั่งเดินยืนนอนเป็นลักษณะของ ผลิตความรู้เนื้อรู้ตัวได้อย่างต่อเนื่องความคิดของเราเราห้ามไม่ได้วินาทีข้างหน้าจะคิดเรื่องอะไรเกยห้ามไม่ได้หรือป ร, กรากฏการต่างๆข้างนอกเนี่ยเราห้ามไม่ได้เราก็ได้เรียกว่าเปิดใจไว้เลยเป็นความรู้เนื้อรู้ตัวแต่ละขณะแล้วก็มืมีอะไรเกิดขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นก็จะทําให้เราะ เห็นตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องต่อไปหลวงพ่ อ, เ, อเขียนท่านให้นี่วันนี้สวดธรรมปาหังบทนี้ให้กับคนจีนฟังแล้วก็แปลเป็นภาษาจีนอีกทีหนึ่งก็จะมีถึงตอนที่ว่ามันมีคำถามจากคนจีนว่ามรุทธรรมกนะารมรุทธรรมเนะี่ยมันเป็นยังไงหลวงพ่อสรุปว่ามันก็ ใ ห, ให้มันเป็นสักตวะนะสักตวะสักตวะทําให้มันเป็นไม่เหลือส่วนที่เป็นคีลิย์นะก็หมายถึงว่าสักตวะเห็นจาวะเห็นได้ยินจาวะได้ยินกลิ่นจาว่ากลิ่นรสจาว่ารสอาการสักตวะนะอันนี้จะเป็นสภาวะของผู้ดูถึงจะดูอะไรเห็นเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็น มันเป็นสภาผู้ดูตรงนี้ก็นั่นไหมถึงว่าปฏิบัติจนกระทั่งมันได้สัมผัสนแต่ว่ามันได้สัมผัสนี่จะไม่มีคําถามอะไรทั้งนั้น่ะมันจะเป็นคําตอบในใจของเราคนจริงก็ก็ถามถึงเรื่องนิพพานนิพพานมันมีคู่ไหมหรือว่าคนเวลามีอัตตามากๆเนี่ยมันใช่ไหมที่เรียกว่าบรรลุธรรมอย่างนั้น หลวงพ่อทานก็ตอบดีนิพานนี่มันก็เป็นสภาวะที่มันมันไม่มีคู่อยู่แล้วแหละแล้วก็ว่างคว่างไม่ประมาณมันเป็นเรื่องของสภาวะที่มันว่างอยังไม่ประมาณท่านก็พยายามอธิบายอยู่จนกระทั่งถึงว่าเรียกว่าถ้าเจริญสติดีๆฝึกสติดีๆนะีก็คือเรานอน เ, นะเวลาจิตของเรามัน มีความคิดหลงไปในความคิดฝันตรงนั้นหลวงพ่อรัก็รับรองว่าสติที่เราฝึกทำเข้าไปจัดการได้ขณะที่นอนหลับผมเล่ามาก็เพิ่ม เ, เริมเพิ่มเติมถึงว่าเคยรู้เคยอ่านเคยได้ยินได้ฟังการนอนอยังมีสติก็คือกนะณะการนอนแบบเสียหายใยาตะแคงขวา ก็ถือว่าเราฝึกสติแล้วก็ทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่ทับหัวใจหัวใจมันจะลงด้านซ้ายแล้วการนอนด้านซ้ายเนี่ยมันนอนแบบสัตว์ที่เรียกว่าราชสีนอนไปสู่ภพภูมิซึ่งมันอาจจะเกิดลัทนะของจิตที่มันไม่ได้มีสติปัญญาเต็มที่มันนอนไม่ถูกท่าส่วนถ้าอยู่ๆไปนอนหงายเลย นึกอยากนอนก็นอนนอนงายเลยมันจะเป็นลนักษณะของเปรตเปลตเนี่ยจะนอนงายอาการเหล่านี้มันมีอยู่ในพสูตรคราวนี้การที่เรานอนนะอย่างมีเจตนานะก็การนอนมีตกติอาการนอนเราได้เห็นว่าเออบางทีนะการนอนก็เป็นพิปัสนาได้ เป็นการปล่อยการวางหลังจากที่เราทำเปลี่ยนาทาความเพียนกันมาทั้งวันว่ามันถึงเวลานอนนี่มันก็วางหลวงพ่อยกอ้างถึงพระอา น, นุนว่ามันเป็นปฏิบัติมาอย่างเรียกว่าเอาจริงเอาจังพอ ถ, ถึงเวลารุ่งอรุณมันก็ยังไม่ไปถึงไหนก็พักดีกว่า ขณะที่นอนพั ก, กเกิดการปล่อยอาวางขึ้นมาบรุธรรมนะก็จะมีบทสนทนาวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการบรุธรรมนะเรื่องของพระนิพพานนะมันคืออะไรสภาวะยังไงก็เรียกว่าคนจีนคณะนี้ที่มาดูๆแล้วก็หวังเรื่ของวิมุตเป็นแก่นนะแก่นของธรรมเลยคือวิมุตหวังการหลุดพ้นนะแล้วก็ใช้นจะ นิพานเป็นเป้าหมายปลายทางที่สุดของเป้าหมายปลายทางคือพระนิพานถ้าจะอธิบายกันแล้วก็เป็นสภาวะของคําพูดที่เข้าถึงยากๆแต่ถ้าเราเข้าถึงลักษณะของการปฏิบัติตัวปฏิบัติจริงๆก็คือลงมือกระทําลงไปรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวจนกระทั่งมันเกิดความเป็นเองขึ้นมา ก็ความเป็นเองก็คือมันก็ไม่ใช่อดีตอนาคตไม่ใช่ปัจจุบันมันไม่ใช่เป็นระนาของธรรมะทิมเป็นธรรมชาติจริงๆเป็นความธรรมดาๆรรสามันที่มันไม่ได้มีการกําหนดหรือว่าเก็งเพ่งจ้องะหรือว่าเป็นระนาของเผลอหลงไปแนวลมที่มากระทบเมืม่เป็นระนาของสภาวะที่มัน มันไม่ได้ทําอะไรหรอกธรรมชาติมันก็เป็นของมันเองอยู่อย่างนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเป็นความบริสุทธิ์ด้วยแต่ว่าใหม่ๆแล้วจะไม่กระจายเราก็ต้องเคลื่อนไหวรู้สึกลักษณะของการเดินยังก้มเนี่ยให้ก็ทําลงไปคราวนี้พอเราก็ทําลงไปจริงจะเห็นอารมณ์นำทะลักมาแล้วกันเนี่ยพอเรามีกอ่อให้กระจิตของเรานิดหนึ่งให้มันกําหนดรู้ความรู้สึกตัวที่ฐานกายอย่านี เยนะนี่ใ้ความเคยชินเก่าๆที่จิตเขาเคยไหลไปเสพเข้าไได้ทีนี้พอเราปฏิบัติตัดกลับมาที่ความสุขที่กายก็เหมือนถูกบังคับก็จะมีอาการเหมือนก็ดิ้นเหมือนกามีความต้องการทีตัณหาเราทยานอยากในสิ่งที่เคยเสพรสชาติที่เคยสัมผัส กันนี้เราก็รับรู้นถึงความรู้สึกจนมันเหมือนถูกบังคับนะนี่มันพยศขึ้นมาเลยล้วการนี้มันก็จะไม่ทำละปฏิบัติของมันจะไม่ปฏิบัติเราได้เห็นบางทีมันก็ง่วงเหงาเหานอนที่ก็นมาในการแปลกๆหนักมั่งยกมือไม่ได้เดินยองมไม่ได้แต่พอเดิอนออกฐานมานิดเดียวจะเห็นว่ามันโล่งโปร่งเบาสบายนี มันก็แปลกดีนะหรือว่าเดินไปตักน้ําเดินมาเข้าห้องน้ําสบายขึ้นนะก็ลองสังเกตจุดอ่อนตรงเนี้นะนั่งจะลุกนะนะหรือว่าลุกจะเดินหรือว่าเดินจะกลับมานั่งอะไรก็ตามหรือว่านั่งจะนอนอนะไรพวกนะี้เราเห็อนอะาการที่มันพอเปลี่ยนอีบัลลังกายออกตอนนั้นมันจะบอกถึงการการวางกายการวางจิตใจของเราเทคนิคในหลวงพ่อเทียนก็มีว่าวางกายกากลาะ วางใจกลางๆพอเราปฏิบัติเราก็จะสังเกตไนดะ้อด๋อกายกายคลายตรงๆว่าจรดเท้ามันผ่อนคลายมันไม่เก๊กไม่เกร็งมันไม่ตึงไม่เครียดตรงๆว่าจรดเท้าเราสังเกตได้อ๋อแต่ว่าใหม่ๆเราก็ยังไม่ได้สังเกตสังเกตไม่ได้เหมือนกับทุกตัวทีมกลองปรากฏก็เท่ากับสอน หรอาบอกทิศบอกทางเป็นพัฒนาการในการเดินทางจิตเข้ากระแสเวลามันเข้ากระแสมันก็จะเห็นลน้วนะของความรู้สึกตัวแบบเบาๆหรือว่าเริ่มเห็นอาการของความคิดที่มันวาบไหวเบาๆแล้วเราก็รับรู้มันไม่เหมือนกับว่าจะไปผักใสหรือว่าไปพอใจไม่พอใจบางทีมันก็จะมีอาการ มันก็ฟุ้งซ่านขึ้นมาเลยทาไมปฏิบัติก็ไม่ฟุง้งแต่พอเริ่มต้นปฏิบัติมันก็จะมีอาการคิดไหลไหลมากๆอย่างวันนี้มีอาจารย์สมใจก็เริ่มสังเกตว่าบางทีมีคนจีนไปนั่งแล้วก็เอามือตีศรีรษะก็ศรีรษะอย่างงี้นะหรือว่าคอยนวดนะศรีรษะนะก็แสดงว่ามันมีอาการตึงอย่างงี้นะ เราสังเกตว่าน้อปฏิบัติก็มีอาการแบบนั้นแต่ว่าตัวเราเองเราก็ต้องสังเกตตัว เ, เองด้วยนะหลังจากที่มันมีอาการเก่งเพ่งจ้องหรือว่าความคิดมากๆนะีก็เรียก ว, ว่าเป็นสภาวะทำเหมือนกันเมื่อเราทําไปทําไปก็จะมีประสบการณ์จะเห็นว่าอาการเหล่านี้ก็เป็นเพียงแค่อาการนะั่นแหละเกิดขึ้นมาไม่ได้ทําให้เราพอใจหรือไม่พอใจสุขหรือทุกข์เราเห็นเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในท้ายสุด อพอเราเครียดๆ เ, เราไปอาบน้ําก็ผ่อนคลายออกมาหรือว่าพอเราเครียดๆถึงเวลาเย็นเรามาทําวัดสวดมนต์ได้เดินขึ้นมามันก็รู้สึกผ่อนคลายตัวนี้จะเป็นประสบการณ์ในทางเรียกว่าที่ดีก็ว่าได้เวลาปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เรามักจะเลือกว่าทำมะจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นก็คือวาดภาพนะ คิดว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคิดอย่างเงี้ยแต่พอเรามาปฏิบัติทุกตัวนะที่เป็นสภาวะธรรมเฉพาะหน้าที่แสดงออกอะใช่ทั้งหมดนะบางทีมันอาจจะง่วงเหงาหานอนอย่างเงี้ยไม่โล่งโปร่งเบาหรือว่านะอิ่มอกอิ่มใจมีความสุขกับการปฏิบัตินระวมมีความสงบนะอาจจะมีความคิดแบบฟุ้งซ่านเลยนะบางทีก็สงสัยมากๆเกิดขึ้นไหมนะอันนี้ก็นั่นหมายถึงว่า ไม่เป็นไรนกลับมาหาความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวทุกครั้งที่รู้สึกตัวกระทบสัมผัสก็จะตัดออกจากความคิดแน่นอนโดยที่เราไม่ต้องคิดว่าออกมาจากความคิดมันสัมผัสปั๊บมันก็ออกมาทันทนีมันก็เลยเป็นเรื่องที่เราต้องกระทํากันอธิบายยากมากเระยิ่งอธิบายก็ยิงไม่ใช่ะยิงอธิบายไปเป็นาปพ้นก็ยิงไปกันใหญ่ เราจึงเรียกว่าต้องลงมือกระทํำกันเต็มที่เลยในรูปแบบนอกรูปแบบจริงๆแล้วเนี่ยดูลมหายใจก็ได้นะลมหายใจที่กระทบสัมผัสแต่ว่าลักษณะของลมหายใจนี้จะเบานิดหนึ่งแล้วก็มีความเป็นเองถ้าการยกมือ14อย่างว่าต้องเจตนา ย, ยกนิดหนึ่งพอเจตนา ย, ยกขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่า ความรู้สึกตัวที่เกิดจากการกระทบสัมผัสห ย, บยาบนๆะพอจะเป็นคู่ปรับนะกับความคิดได้อย่างสมศักดิ์ศนระีเวลาความคิดเกิดขึด้นมะาถ้าเ้าแรงนะถ้าฐานของความรู้สึกตัวมันเบานะจิตเราก็จะไหลไปตามอารมณ์ที่มั น, มนแรงกว่ามีน้ําหนักกว่าถ้าความรู้สึกตัวของเราทำนะมันมีน้ําหนักจิตใจมันก็จะมีสติรูกร้กลัความรู้สึกตัวที่มีน้ําหนักนะั้น ยิ่งยกมือกระทบสัมผัสเดินจงกลมในเจตนายิ่งแกล่ะเดินจงกลมนี่ถือว่าเบานิดหนึงแต่ถ้าหากว่าเราออกแรงกระทบสัมผัสกับหยา บ, ยาบอันนี้ก็จะชัดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราสังเกตว่าเวลาเดินตรงกลมเนความคิดจะไหลได้มากกว่าการนั่งแต่พอเรานั่งยกมือสิบสี่ชังหวันเนี่ยอาการง่วงนอนผมเลือาธารมดาจะเกิดมากกว่าแต่ว่าตอนระยะหลังนี่มันก็เรียกว่า ไอตัวพวกนี้มันก็หายไปเวลานั่งปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติจริงๆถ้าจะมามันก็ถูกรู้เท่ารู้ทันทันทีทันใดนั่นแหละเมื่อถึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีประสบการณ์เหมือนๆกันมาลงมือปฏิบัติบางทีก็มีปัญหาเกา่กาๆที่เราแก้ไม่ตกเราเคยทากับคนอื่นคนอื่นเคยทากับเราทางกายวาจาใจมันก็ติดก่อนปฏิบัติจะเกิดขึ้นเสร็จแล้วมันก็จะค่อยคลายออกคลายออกคลายออก ถ้าเรามีสติปั๊บรู้ทันมันก็จะหาห้ไปทันทีเราก็จะมีความรู้สึกตัวมีสติแล้วก็เป็นที่พึ่งในการปฏิบัตแบบค่อยเป็นค่อยไปเลยก็ว่าได้จนผ่านตลอดนี่บางทีก็มีอารมณ์บุญเกิดขึ้นมาความคิดที่มันดีๆมันไม่เคยคิดก็แสดงออกมาให้เราได้สนใจความคิดแปลกๆใหม่ๆแบบแบบแบบเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นเรื่องที่เราเองเราก็ไม่เคยที่จะคิดแบบนี้ มันแสดงออกมาให้เราได้เพอได้หลงเราก็จะได้เห็นเราห้ามมันไม่ได้บางทีก็คิดดีบางทีก็คิดไม่ดีเราเริ่มเห็นความคิดที่เป็นบุญเป็นบาปเป็นอดีตที่มันเกิดขึ้นมาแล้วบางทีเป็นอนาคตก็มีเหมือนกันส่วนใหญ่พอเป็นอนาคตมกักจะเป็นอาการลักษณะความกางังวลงานที่เราทําไม่เสร็จนส่วนใหญ่ถ้าไหลไปทางอาดีตมันจะเป็นลักษณะของความรู้สึก ที่มันอะไราอาวรหรือว่ามันเกาะเกี่ยวกันที่มันมันติดมันยึดลักษณะที่อาจจะเป็นความพอใจไม่พอใจอย่างนี้นะมันก็เลยเป็นลักษณะของอดีนาคตที่เป็นดีเป็นไม่ดีนะเป็นความสุขเป็นความทุกข์นนเป็นบุญเป็นบาปเราเริ่มเห็นว่าสัมผัสทีปัจจุบันเริ่มตัดอดินนะก็แต่ก็มีความคิดที่อยู่กับปัจจุบันเช่นตาดูก็คิดคิดต่อไปนะ เอาสัญญาจำได้หมายรู้ที่มันเคยติดเอาไว้นะมาเทียบเคียงหรือว่าตีความเป็นเรื่องราวต่างๆเปรียบเทียบมากมายเมื่อจะเกิดให้เราได้เรียนทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดอย่างนี้นะเราตั้งใจที่จะสัมผัสรู้แล้วก็แยกได้ละความคิดที่เป็นปัจจุบันวิพากควิจารณ์เราก็ผ่านไป ความคิดที่เป็นปัจจุบันที่อยู่ข้างในเป็นวิตกวิจารณ์แล้วก็ผ่านไปความคิดที่เป็นอดีต เ, <bracket> เ, เป็นสุขเป็นทุกข์เราก็ผ่านไปความคิดที่เป็นอนาคตเป็นสุขเป็นทุกข์เราก็ผ่านตลอดตัดกลับมาที่ความรู้สึกตัวเราเห็นจิตมันจะเกิดเล้าหน้ากล่องการปล่อยการาวางแล้วก็ว่างๆความรู้สึกมันสบายๆายตืๆนะ่นๆขณะที่ทํานันก็ตื่นๆรู้ในสิ่งที่มันกําลังทำ ปฏิบัติธรรมทำกรรมฐา น, นการเคลื่อนการไหวมันก็จะเริ่มมาเห็นอาการต่างๆที่น้อยลงไปความเมื่อน้อยลงไปความเกลียดก็น้อยลงไปนความเหงาความว่าเว่ความเบื่อในการปบธรรมก็จะน้อยลงไปก็จะเริ่มมีลักษณะของจิตใจที่เป็นปลาโมดลื่นเริงกับการปฏิบัติรู้สึกทำแล้วก็รื่นเริ ง, รงดีมันก็ทํางานแล้วก็ติดลมก็เรียกว่าได้อารมณ์นะ กรรมฐานเราเรียกว่าได้ไ ด, ได้กระแสะเบื้องต้นก็บาไดะกระแสะของความรู้สึกตัวแต่ว่าเราจะยังไม่ได้หลักปฏิบัติหลักปฏิบัตินี่ก็คือหมายถึงว่าเราสามารถเห็นไอ้ตัวความคิดรู้จักความคิดนะแล้วอ๋อแล้วแนวความคิดนะสมมติฐานการคิดจุดกําเนิดจุดเกิดมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้พอการตรงนี้แสดงออก ตรงนี้ที่ว่าในกระหม่อมใถึงมันจะมีจุดหนึ่งนะที่เรารู้สึกตัวได้ว่าตรงนี้ก็คือความคิดอย่างเงี้ยมันจะมีที่อยู่เมื่อเราปฏิบัติเราเห็นกายต่างความเป็นจริงแล้วก็เห็นลักษะจิตมันเป็นปกติเราก็จะได้เห็นว่าเออเวลาจิตปกตินะแล้วก็จิตเผลอหลงไปคิดเนี่ยความคิดมันเกิดตรงเนี้ก็เท่ากับว่าความคิดมันอยู่ในแดนของกรรมฐานในแดนของปกตินะ มันเกิดขึ้นมานะ่มันมันมีอาการกระเพื่มมีอาการกระเพื่มเหมือนกับน้ําที่มันนิ่งๆน้ํานิ่งๆพอมีลมพัดอย่างเงี้ยมันก็กระเพื่อมรเราก็ดะเห็นว่เอิ่มเป็นความคิดนะคิดแบบการคิดแบบประหยาาัดคิดแบบอความฟุ้งซ่านคิดแบบความลังเลสงสัยอะไรเนงะี้ยมันจะเกิดขึ้นมากระเพื่มเป็นคลื่นเลยบางทีก็ เหมือนกับจิตของเรามันมีความง่วงบางฉาบเอาไว้ความคิดเกิดขึ้นมาก็ไม่รู้ทันอันนี้ก็มีทุกๆสภาวะก็จึงเป็นลักษณะของผู้ปฏิบัติทจะต้องเดินทางแล้วก็ได้สัมผัสจนกระทั่งหายสงสัยก็จึงเลือกไม่ได้แต่ละขณะแต่ละณะที่ปฏิบัติจะเจอจอดก็ไหน เดืดไม่ได้อาจจะง่วงก็ได้อาจจะเจ็บปวดเมื่อยก็ได้อาจจะคิดฟุ้งซ่านทุกอารมณ์ทั้งเบื่อทั้งเหงาทั้งว้าวเวทั้งเกลียดสุขๆุทุกๆต่างๆก็เรียกว่ากลับมาหาความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวตรงนี้เพราะฉะนั้นลักษณะของการแก้อารมณ์ปฏิบัติเนี่ยก็คือตัวเองจะต้องแก้ให้กับตัวเองตลอดแต่ว่าการสร้างศรัทธาตอนนี้ก็ต้องอาศัยบรรยากาศของกัลยาณมิตร ยากาศของเพื่อนสิ่งแวดล้อมต่างๆนะธรรมชาติ ร, รอบๆตัวที่เป็นเรื่องของปัจจัย45678กนเะปเป็นตัวที่ช่วยทำให้เเกิดศรัทธาขึ้นมาทำให้นะาของการปฏิบัตนะิมันเกิดปัญญามีประสบการณ์ตรงได้ไว้นะเดี๋ยวพรุ่งนีนะ้เราก็จะอยู่กัน ประมาณสักสามูกก็จะไปจังหวัดสุรินทร์ต่อตอนตีสี่เราก็จะใช้ลักษณะของการปฏิบัติที่ตัวใครตัวเราก็ต้องเรียกว่าปลีกวิเวกันเองแล้วกันในว่ากลุ่มคนจีนนะนะในาะอาศัยสลาวไตรื้ว่าบางทีไปตามรานรบบาินโนคะ้มักะดตามช่องต่างๆแต่ละช่องแต่ละช่องเนี่ยนะบอกกันนะสื่อกันกระจายกันไปนะแล้วก็ อยู่แล้วก็ถ้าขาดเหลืออะไรให้บอกกันทันทีเช่นน้ําร้นรอนน้าชาอะไรพวกนะั้นที่ลงคัวให้บอกกันทันทีพอทุกรุ่นเวลามาพออยู่สักสามสี่วันเมื่อจะปรับเนื้อปรับตัวเข้าสิ่งแวดล้อมเนะี่บางทีขาดพวกน้ําร้อนแล้วขาดพวกพวกชาคนจีนนิยมดื่มชาบางทีก็จะไปหาสมุนไพรในป่าเช่นใบสน สวนสามใบนีก็จะมาต้มแล้วก็ออกรสชาติเปรียปร้ยวๆ เ, เป็นยารักษาโรคอะไรก็ไม่รู้อามากคลืมไปแล้วตอนนั้นล่ามก็ดูด้วยนะให้ให้คนจีนได้มีโอกาสไิบัติเต็มที่คนไทยก็อยู่เป็นเพื่อนกันที่อยู่ที่วัดเนี่ยก็อยู่เรียบๆแล้วก็มีอะไรก็ทาตามๆกันไปกียาประจำบัานเนี่นะไปครัวหรือว่ากบฉันรับประทานอาหาร ก็อยู่กันแบบนะให้เหมือนกันที่หลวงพ่อท่านพูดเอาไว้ก็คือนะอยู่อย่างที่นี่ก็คือบ้านอีกหลังหนึ่งให้พัฒนาของอยู่กันด้วยความอบอุ่นต่างคนต่างไต่ทีไต่ อ, ต อ, อาศัยซึ่งกันและกันอย่างนี้นต่อไปนะแล้วนี้ก็เห็นว่าพูดมาสมควรแก่ทําแก่เวลาขนาดนี้นะก็ขอให้พวกเราที่อยู่ร่วมกันก็ใช้บรรยากาศนีนะ้อากาศที่มันสบายๆแบบนี้แล้วก็สบายใจของวัดป่าสุขโตน ใช้รูปแบบของการฝึกหัดปฏิบัตินะใหนะ้ได้สัมผัสนะของสภาวะความเป็นปกติตามที่หลวงพ่อเขียนว่าหลวงพ่อเทียนนะท่านได้นะท้าทายเอาไวนะ้ถ้าทำอย่างนี้แล้วนะไม่เกินสามปีทำอย่างนี้ให้ต่อเนื่องจริงนะไม่เกินสามปีรับประกันนะว่าท่านจะทุกข์ลดลงหรือว่าไม่ทุกขนะ์ถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นพระอรหันต์ต่อไปนะก็ขอให้คาพูดของนะ หลวงพ่อครูบาอาจารย์หรือว่าโอทสมเด็จสัมมาเจ้าที่ได้ชี้นำมาไว้แล้วเราก็เดินตามรอยกันโดยความถูกต้องแล้วก็ต่อเนื่องก็จงเป็นพัฒนาการทำให้เราได้รับหร่าสัมผัสธรรมะสมควรแก่การปฏิบัติจนทั้งเดินถึงที่สุดแห่งกองทุกในปราวัญชาตินี้โดยทั่วนาการทุกท่านทุกคนเทิด